ปวตุสัพพมังคลางขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักขันตุสัพพเทวตาขอหล่าเทพยดาทั้งปวงจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนา้วยอนุภาแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวง สัพพะธรรมานุพาเวนาด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวงสัพพสังฆานุพาเวนาด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งปวงสาธาโสทิพวัรณตูเตขอความสวัสดีทั้งหลาย จงมีแก่ท่านทุกมือเถิน